วันนี้แรมสิบห้าค่ำเดือนแปดตรงกับวันที่สิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามพระจำพรรษาในวัดของเราปีนี้สามสิบหกรูปลงมาฉันยี่สิบเจ็ดขาดไปเก้าภาวนาของท่านพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่มา ร่วมสมาทานศีลในวันนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้จริงจังและก็ตอนเย็นวันนี้ก็จะมีการไหว้พร ะ, ะแล้วก็ฟังธรรมเทศนาจากนั้นก็คงจะลงมือนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมตอนเย็นถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ปฏิบัติโดยสม่ำเสมอในพรรษานี้ อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นที่หลวงพ่อบอกกล่าวนี้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของหลวงพ่อเป็นผลประโยชน์ของพวกเราทุกๆท่านเองถ้าพวกเราไม่ศึกษาพวกเราจะรู้ได้อย่างไรถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติพวกเราจะมีความสุขได้อย่างไรเหมือนกับพวกเราไม่หายใจอย่างนั้นใครจะหายใจแทนพวกเราถ้าพวกเราไม่ทานอาหารใครจะแทนทานอาหารแทนเรา ถ้าเราไม่เรียนหนังสือใครจะเรียนหนังสือแทนเราถ้าใครทําคนนั้นก็ได้เพราะธรรมะเป็นของปัจจุปัจจตังเพราะนั้นที่หลวงพ่อบอกกลนะ่าวนั่นก็คือแนะนําสั่งสอนพวกคณะสัตย า, ญญาติโยม์ทุกหมู่เหล่าทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้มีอายุน้อยกิจยาตั้งอยู่ในความประมาทถ้าเมื่อเรามีอายุน้อยเราก็จยาคิดว่าเราอายุแก่ซะก่อนเราจรึงจะเข้าวัด ปฏิบัติธรรมอันนั้นก็เป็นความคิดที่ผิดถ้าเมื่อเราอายุมากแล้วเราก็บอกว่าเราปฏิบัติมาพอสมควรแล้วก็บัดนี้สุขภาพของเราก็แย่เราก็ห่างเหินไปอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกเพราะการปฏิบัติธรรมของพวกเรานั้นไม่ใช่ว่าจะเข้ามาสู่วัดวาศาสนาทีเดียวจึงจะปฏิบัติธรรมได้พวกเราอยู่ในบ้านก็ปฏิบัติธรรมได้ อย่างฟังเทศคูบาจานอย่างวัดเนธแหละที่พวกเราดีินได้นนฟังเราก็ใส่ใจไหวพระสมาทานศีลทางวิทยุไปยังได้หรือว่าพวกเราจะปฏิบัติธรรมทั้งวันก็ยังได้คือสรุปแล้วก็คือให้มีความใส่ใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทคาว่าประมาทคานี้ก็คือว่าความไม่ใส่ใจนั่นเองคือความไม่สนใจเราปล่อยชีวิตทั้งชีวิตให้ไหลไปตามปกติ ชีวิตของเรามันก็ไหลปกติอยู่แล้วคือเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายมันไหลไปอยู่สู่จุดนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมันจะไม่ไหลไปหาความเด็กหนุ่มขึ้นไปย้อนขึ้นไปหาหนุ่มสาวเหมือนแต่ก่อนมันมีแต่ไหลลงไปแก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ถึงจะไม่เจ็บก็เถอะจังไงก็ต้องถึงจุดจบชีวิตของพวกเราเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกกล่าว เป็นทำคําสอนเอาไว้ว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นอย่างพระสงฆ์ที่อยู่ภายในอย่างหลวงพ่อ เ, เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ภายในคืออยู่ในวัดวาศาสนาพวกเราท่านทั้งหลายเป็นครวัตญาตโยมทํามาหาเลี้ยงชีพภาระกิจธุระมากเมื่อเข้ามาสู่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะได้กล่าวว่ากล่าวตักเตือนอย่างหลวงพ่อได้กล่าวนี่แหละ พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปนะถึงพวกท่านทั้งหลายจะโศงโฉงหาทรัพย์หาเงินหาปัจจัยสี่ขนาดไหนก็ตามพยามัจจุราชคือความตายนะั้นไม่ละเว้นนะไม่ละเว้นสําหรับพวกท่านทั้งหลายนะย่องตามหลังอยู่ตลอดไปล้ำเวลาอีกสักวันหนึ่งพยามัจจุราชก็จะเด็ดชีพของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ สอนพวกเราแนะนำพวกเราบอกกล่าวพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนวาจาครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานอันนั้นเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นวาจาที่สังเสียในบรรดาจิตญาณุสิทธิ์ของพระองค์ขยวาวยธรรมมาสร้างฆ้าราอัปมาเดนะซัมปาเดทาติ สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงคือสังขารคือร่างกายของพวกเราเกิดมาแล้วแก่เกศและกระเจ็บตายอย่างที่ว่านพระพุธองบอกว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงและท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็คือเนี่ยนะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักการไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลปฏิบัติธรรมอันนี้คือหน้าที่ตน ใครจะทําแทนไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเหมือนกับทานอาหารดูอ่านหนังสือเรียนหนังสือออกกําลังกายอย่างเนี้ยใครทําแทนเราไม่ได้เราต้องทําเองเราจึงจะอยู่อยู่ได้นี่ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องปฏิบัติเองนี่แหละประโยชน์ตนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะยากลําบากยังไงก็พยายามพยายามทำอันนี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเมื่อเรา อยู่กับชุมชนสังคมประเทศชาติเราจะทําไปแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกต้องเราก็ควรจะคิดช่วยเหลือชุมชนและสังคมสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมเรามีกําลังมากขนาดไหนกําลังทรัพย์ของเราขนาดไหนกําลังกายของเรามีขนาดไหนกํนาลัง ห, หมู่พวกเพื่อนของเราเป็นอย่างไรที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมได้อันนี้เราก็ไม่ได้มอง ปล่อยป่าละเลยแบบดูดายเราก็ต้องช่วยโรงพยาบาลโรงรยาาโรงเรียนสาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนด้วยความสงบพรมเย็นผาสุขอันนี้แปลว่าประโยชน์ท่านนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสั่งเอาไว้สังขารไม่เที่ยงประโยชน์ตนก็อย่าให้ขาดตกบกพ้องประโยชน์คนอื่นก็อย่าให้ขาดตุกปกพ้องให้ทําไปพร้อมๆกันนี่แหละถ้าว่าพวกเราทําได้อย่างนี้ ตัวของเราเองเกิดมาในโลกก็เป็นประโยชน์ผู้ที่เกี่ยว ข, ข้องทั้งหมดก็เป็นประโยชน์ก็ร่วมเย็นเป็นสุขด้วยกันแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติตามทำคําสอนดีที่ว่านเกิดขึ้นมาแล้วก็คิดว่าตัวเองจะตายไม่เป็นทีนี้มีเท่าไหร่ก็โลภโลภที่มีทรีายากจะได้มาเป็นของตัวเองทั้งหมดเห็นใครเข้ามาก็โกรธพยาบาทอาคาตของใครเหมือนกับตัวเองจะไม่ตาย เห็นใครก็โกรธโมโหโธ่โศโกโธ่ทาไปหมดหัวนิสโกรกลราฆ่าขึ้นมาเห็นใครก็รักไปหมดถ้าผิดฝังในรักคนนั้นนะเนี่ยเสียอกเสียใจตัวเองจะตายไปด้วยอันนี้ก็คือความไม่คิดถึงความตายของตนเองเองไม่คิดว่าสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงนะเราเกิดมาแล้วจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายได้อย่างไงอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะไม่ไม่ว่าวันใดละ ว, วันหนึ่งไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ ไม่ว่าเด็กล้วนแล้วจะพร้อมที่จะล่วงหล่นไปได้เหมือนกับผ ล, ลไม้ผ ล, ลไม้ลูกเล็กๆจะไม่หล่นอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่มีใครไม่มีใครรับปากการะกันได้ผ ล, ลไม้ลูกเล็กก็หล่นได้ลูกกลางก็หล่นได้ผลที่สุดลูกสุกมันสุกงอมแล้วไม่มีผ ล, ลไม้ผลไหนที่จะข้ามปีหล่นทุกลูกนี่ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเรากนลักษณะเปรียบเทียบก็เหมือนนั้นแหละ ไม่มีใครที่จะพ้นไปได้ในปีหนึ่งในชาติหนึ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพร้อมประพฤติธปฏิบัติธรรมไม่มีทางอื่นเพราะหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวหรือสอนพวกพุทธบริษัทสีของพระองค์ให้ประกอบคุณงามความดีนะประกอบคุณงามความดีนะั้นมีอะไรมีทานมีศีลมีภาวนาสําหรับฆราวาส ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ให้ทานเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายวงศสักอายาตลูกหลานมีมิตร ม, มีสหายอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการเสียสละอันนี้คือทานเราหามาได้แล้วเราจะเก็บไว้คนเดียวขี้ตะนีทีเหนียวต่างคนต่างเก็บไม่มีการแบ่งปันกันโลกนี้ก็ดูกันด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายมันไม่ไม่เป็นมิตรเป็นสหายกัน ไม่เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเห็นกันแล้วก็เป็นอริสตรูกันทั้งหมดเพราะไม่มีน้าใจนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทานนะั่นจากนั้นก็ให้มีศีลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพวกเรามีศีลถ้าพวกเรามีศีลอย่าฆ่าอย่าขโมยกันอย่าประพฤติผิดในการให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่ากล่าวมุสาอย่ากโกหกกันแล้วก็อย่าดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท อันนี้คือสินสำหรับรักษาไว้ให้พวกเราอยู่จะเป็นจำนวนคนหมู่มากขนาดไหนถ้ามีสินทุกคนแล้วก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันสินในคุ้มครองโลกทำให้โรคร่มเย็นเป็นจุกได้เพราะสินอันนี้คือทานสินส่วนภาวนานั้นคือพยายามทำจิตใจให้สงบจิดใจให้เป็นหนึ่งถ้าจิตใจของเราปุ่งฟุง้งซานพวกเราคิดดูก็แล้วกัน ถ้าช่วงไหนจิตใจของเราปุ่งฟุ้งสัน้นจิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะหาความสุขได้ที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนปุุนวายมีแต่คางกระสับกระสายคิดมากมากแล้วก็นั่นแหละนอนไม่หลับเพราะเหตุอะไรเพราะเราจิตใจของเราปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าจะทํำยังไงจะทําใจของเราให้อยู่ในความสงบนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนกรรมฐานเห็นหมกรรมฐานเป็นเครื่องยึด เนียวทางด้านจิตใจกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามีมากมายกระสุดแท้แต่ใครจะนํากรรมฐานไหนมาภาวนาพุโทโธพุโทโธธรรมโมสังโฆแต่ยุคนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์ก็มีมากอีกเหมือนกันยุกนอพองน้อบ้างแล้วก็ตามดูจิตใจของตนเองบ้างกระสุดแท้แต่ใครจะถูกกับจริตอะไรในการ ภาวนาและการปฏิบัตินั้นแต่ถึงยังไงก็ให้เจ็บใจของเราเข้าสู่ความสงบให้รวมลงในสู่ความสงบแต่บางคณะบางอาจารย์เวลาสอนเข้าไปพอจิตสงบรวมพอสมควรแล้วใครเพ่งออกไปข้างนอกให้เห็นเป็นนิมิตเรื่องต่างๆอันนั้นในแนวแถวของสายหลวงปู่มั่นท่านวอกผิดทางถ้าเราเพ่งออกไปอย่างนั้นเหมือนกับเราส่งจิตออกไปข้างนอก ส่งไปดูภูผาป่าไมา้ไปดูคู่คนไปดูสรรพสัตว์ทั้งหลายท่องในวัฏฏสงสา ร, รไม่มีที่สิ้นสุดเราส่งออกไปข้างนอกเพราะนั้นท่านให้ส่งเข้ามาข้างในคือเข้ามาสู่ใจอารมณ์ทั้งหลายที่ออกไปนั้นมันออกไปจากไหนออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นให้มีสติสัมปชัญญะให้ดูที่ใจอย่าไปส่งจิตออกไปข้างนอกถ้าส่งจิตออกไปข้างนอกนั้นเพลอเจะเสียเสียคู่เสียคน เป็นวิปัชนูปกิเลสเป็นบ้าได้ไง่ายๆพูดแบบสรุปง่ายๆเป็นบ้าได้เพราะการปฏิบัติผิดเพราะส่งจิตออกไปข้างนอกแต่ถ้าว่ามีสติสัมปชัญญะมีสติอยู่กับตัวเองมองใจตัวเองอยู่ตลอดขณะนี้เวลานี้เราคิดเรื่องอะไรใจของเราปรุงฟุ้งไปทางไหนอารมณ์ของเราติดในเรื่องอะไรกิเลสราคะโทสะหรือโมหะกิเลสราคะ โ, โลภโกรธหงตัวไหนมันอยู่ในใจของเราในขณะนี้ ถ้าเรามีสติอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดกิเลสตัวไหนจะเข้ามาภายนอกเข้ามาเราก็รู้เราก็ไม่รับไม่กําจัดมันออกมีแต่รู้ภายในใจของเราจากนั้นจิตใจข อ, ของเราก็เข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งฮนี่แหละพระพุทธองค์ให้รวมลงเป็นหนึ่งคือจิตใจรวมให้สงบให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งแล้ว เราจะได้ผลประโยชน์มากมายและหลายอย่างในการจิตรวมเข้าสู่ความสงบนั้นอันดับแรกก็เชื่อมั่นในตนเองว่าที่เราปฏิบัติมานี้ที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนนั้นเป็นความสุขจริงเป็นเรื่องของจริงเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบแล้วมองเห็นกายของเราก็ชัดเจนใจของเราก็ชัดเจนมันเป็นคนละอย่างกันอันนี้คือจิตของเรารวมเข้าสู่ความสงบเ ร, เราจะเห็นผลอย่างนี้เป็นครั้งแรก เราก็เชื่อมั่นในตนเองว่าธรรมะในเป็นปัจจิตตังผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตของเรารวมเข้าสู่ความสงบอย่างนั้นแล้วเราจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญจะบอกชัดด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญอันไหนกาอันไหนสูญอันไหนเกิดนี่เราก็จะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตสงบจากนั้นเมื่อเรารู้แล้วทีนี้ เราก็จะรู้วิธีการปฏิบัติกับตนเองไปเรื่อยๆจากนั้นเมื่อเรารวมเข้าไปแล้วเมื่อถอนออกมาแล้วทีนี้เราก็มาพิจารณาว่าทำไมหลงอะไรตัวของเรานี่หลงอะไรทำว่าหลงหลงเนี่ยโมหะคือความหลงกิเลสราคะโทสะโมหานมันหลงอะไรหลงโทสะหลงราคะโลภโกรธหลง มันหลงอะไรหลงในเป็นพื้นถ้าไม่หลงมันจะไม่โกรธถ้าไม่หลงจะไม่โลภถ้าไม่หลงมันจะไม่รักเพราะนั้นหลงในเป็นพื้นฐานแห่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอวิชชาขว่าอวิชชาเนี่ยคือความหลงอวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่ารานนี่แตัวอวิชชาเนี่ยคือตัวหลงในเมื่อมันหลงมันหลงอะไรเราไม่ต้องคิดถึงหลงคนนั้นหลงมันหลงอะไรสาหรับเราเนี่ยเราหลงอะไรเราไม่ต้องคิดถึงคนอื่น เราขณะนี้เราหลงอะไรโดยมากมันจะหลงร่างกายของตนเองว่าร่างกายของเราเนี่ยจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายชิดสวยงดงามมีศักดิ์ศรีมีอํานาจวาสนามีบุญญาบารมีข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนหนึ่งใครจะมาพูดมากล่าวให้ข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าเนี่ยนี่แหละเป็นหนึ่งเป็นฮีโร่กว่าสูเจ้าทั้งหลายคนนั่นก็ฮีโร่คนนี้นก็ฮีโร่เท่นี่น ต่างคนก็ต่างว่าเป็นเป็นหนึ่งกว่าใครทั้งหมดนี่แหละเทนี่มันจะออกไปทางโทสะเทนี่ถ้าว่าใครพูดไม่ถูกเข้ามามันโทสะจะชดเข้ามาทางจิตใจนี่แหละมันหลงตัวเองแหละเทนี่จากนั้นก็ราคาขึ้นมาไปรักคนนั้นไปชอบคนนี้เทนี่พอชอบรักคนนั้นชอบคนนี้ก็นี่แหละก็อํานวยความสะดวกให้แก่คนอื่นพอที่สุดคนอื่นที่ไม่ได้รับความอํานวยความสะดวก มันเอียงเกินไปก็ทะเลาะกันอีกละะหลยทีนึงอันนี้มันไปทางกิเลสเรื่องความรักแต่นี้จากนั้นก็มันทําไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความหลงจากนั้นก็ความโลภจริงไหนที่จะมาในโลกในจักรวาลเลยโลภอยากจะได้ท่าที่ตําแหน่งโลภอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์โลภอยากจะได้เงินคําทรัพย์สมบัติโลภอยากจะให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญบูชาตัวเอง มันโลภออกไปทั้งหมดแล้วต่างควนก็ต่างโลภปล่อยความโลภออกไปแล้วโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนเท่นี่แหละเพราะเลยสรุปแล้วก็คือมันเพราะเป็นเพราะอะไรทําไปยังเป็นอย่งงางนั้นเพราะมันหลงหลงตัวเองห ล, ลงร่างกายแต่ในพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าหลงนะอย่าหลงร่างกายของตนเองนะให้พิจารณาดูซิตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้ามีอะไรบ้างให้ดูให้ดี ด้วยสติด้วยปัญญาต้องทำจิตให้สงบสักก่อนจึงจะรู้ได้เห็นได้ด้วยความจริงจังแต่ถ้าเราไม่พิจารณาด้วยสมาธิแล้วมันจะเห็นแบบเลือนลางเห็นแบบสัญญาและสังขารแสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งของจิตใจเท่านั้นแต่ถ้าเราสมาธิของเราใจของเราผ่านสมาธิคือความสงบแล้วเมื่อพิจารณาจุดไหนจะเห็นจุดนั้นได้ชัดเจน ในความรู้สึกในจุดนั้นพิจารณาผมก็เห็นชัดเจนขนก็เห็นชัดเจนเล็บฟันหนังเมื่อเห็นหนังถลกหนังออกไปแล้วร่างกายของเราทั้งร่างมีอะไรมีแต่เนื้อเอ็นกระดูกจากนั้นก็มองเข้าไปอีกลำไส้ปอดหัวใจไม่อวัยวะของพวกเราภายในมันมีอะไรคือสาระสาระของชีวิตคืออะไรสาระของร่างกายของเราคืออะไร ถ้าเมื่อเราแยกแยะดูแล้วมันไม่น่าหลงไม่น่าหลงร่างกายไฟ่ายเพราะว่ามันหาสาระไม่ได้จริงจริงจริงไหมถามตัวผู้รู้คือใจในเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบผ่านข้อความสงบแล้วอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนามธรรมกับรูปธรรมตัวรูปธรรมมันสงบแต่ส่วนนามธรรมส่วนรูปนามธรรมนะ่ะสงบคือรูปธรรมนะั่นน่ะมันก็เป็นตามสภาพของมันแต่นามธรรมหลงรูปธรรม แต่นี้เมื่อเอาพิจารณาเอานามธรรมมาพิจารณาถึงรูปธรรมรูปธรรมคือพิจารณาร่างกายร่างกายของเรามีอะไรบ้างเนี่ยแหละจากนั้นก็เมื่อนามธรรมพิจารณาดูแล้วนามธรรมก็ต้องเข้าใจในนามธรรมสอนนามธรรมสอนนามธรรมคือตัวเองสอนตัวเองอย่าหลงนะร่างกายเนี่ยมันเป็นเพียงเท่านี้แหละมันเป็นอย่างอื่นนะอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องถึงจุดจบของมัน ไะนั้นในเมื่อพวกเราไม่หลงร่างกายแล้วภายนอกมันจะหลงได้ยังไงทีไหนยศทาบรรดาศักดิ์เอามาก็เอามามาสู่ร่างกายที่เป็นของอสุภะปฏิกูลเอามาให้ผมขนเล็บฟันหนังเงินคำทรัพย์สมบัติเราก็ขนมาให้เพื่อของขมผมขนเล็บฟันหนังกระดูกของเราเนี่แหละของทุกสิ่งทุกอย่างขนมาเพื่อรูปธรรม ในเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วอันนี้คือเป็นภาษาธรรมนะเป็นภาษาธรรมในขณะที่เรานั่งภาวนานั่งปฏิบัติแต่ไม่ใช่ภาษาคําพูดคําพูดพูดทนี้ออกไปไม่ได้เว้นแต่หลวงพ่อจะแนะนําวิธีการคิดเท่านั้นเองถ้าหลวงพ่อไม่แนะนําการคิดพวกท่านทั้งหลายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในหลักธรรมนะท่านจะสอนอยังไงแต่หลวงพ่อพูดให้ฟังคือเป็นภาษาคําพูด เพื่อให้พวกเราท่านทั้งหลายที่ฟังได้ศึกษาและนําไปประพฤติปฏิบัติเป็นภาษาความคิดของหัวใจเป็นภาษาคิดของใจเราไม่ใช่ภาษาคําพูดภาษาคําพูดอีกภาษาหนึ่งอันนี้ภาษาใจใจอย่าไปหลงร่างกายนะร่างกายมันเป็นเพียงเท่านี้แหละจากนั้นเมื่อใจของเราพิจารณาเห็นร่างกายของเราอย่างนั้นแล้วใจของเราก็มันจะไม่กระเพื่อมเลยสิเพราะมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็รู้สึก เออใช่มีอะไรทําอะไรแต่เราพยายามทําให้ถูกต้องที่สุดทําให้ดีที่สุดทําให้เป็นธรรมที่สุดเราจะไม่เบียดเบียนใครที่สุดทั้งหมดทุกคนเราจะขยันในสิ่งที่ถูกต้องทําหน้าที่การงานอย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะเราเกิดมาทั้งทีชีวิตจะไปให้คนดูถูกเกียดยามเราเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขามไม่มีสมองเสรลยมันไม่ถูกต้องเราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุด อันนั้นคือเราต้องคิดในการเป็นอยู่ของร่างกายแต่มาพิจารณาประมวลมาถึงเธอจะทำให้ดีที่สุดขนาดไหนก็เถอะนะร่างกายเนี่ยมันก็ยังไหลไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาไหลไปสู่ดินน้ำลมไฟไหลไปสู่มรณะภัยในที่สุดถึงความตายในที่สุดน่าใจนะอย่าหลงนะนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือให้รู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมรู้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมา รูปธรรมเราควรจะวางไงรูปธรรมนามธรรมนั้นเราควรจะจัดการกับตัวเองอย่างไรถ้าพวกเรารู้ทั้งสองเงื่อนที่แล้วพวกเราเนี่แหละคือผู้ปฏิบัติธรรมความสงบพร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราถ้าพวกเรารู้จากนั้นถ้ามากกว่านั้นเราก็ต้องพิจารณาร่างกายจะพิจารณาถึงใจใจของเราก็เป็นอันิีจังของไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวกปคิดนู้นเดี๋ยวไปโผนี่เดีย๋ยวโมโหนะเดีย๋ยวไปโกทานี่ อยู่อย่างนั้นในเตี๋ยแต่ละวีแต่ละวันถ้าเรามีสติเราจะเห็นได้จากนั้นเราเบื่อกระทั่งใจเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นคือนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายกระทั่งตัวผู้รู้นามธรรมนั่นแหละแต่เรามีสติมีปัญญามีมหาสติมหาปัญญาพิจารณาเข้าสู่จุดนั้นนั่นแหละความหลุดพ้นหรือว่ากิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ใจทั้งหมดปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจ มันไม่ใช่ไปที่อื่นธรรมะของพระพุทธเจา้าดังนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะหลวงพอ่อในวันนี้ก็ได้กล่าวธรรมะตั้งแต่ริเริ่มเบื้องต้นให้พวกเราเป็นผู้มั่นใจสนใจในพระพุทธศาสนาว่ า, าพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมายาวนานเป็นมาด้วยเหตุอะไรพวกเราให้ค้นคว้าศึกษาไม่ใช่ว่าคนโบราณถือมาเราก็ถือไปโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผล พวกเราต้องมีเหตุมีผลพุทธศาสนาต้องมีเหตุและมีผลถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมพวกเราต้องศึกษาจากนั้นทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดถ้าคนไม่มีทานแล้วไม่มีการเสียสละต่อกันแล้วโลกทั้งโลกจะอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นจุกได้ยังไงพ่อแม่ก็ไม่ให้ลูกลูกก็ไม่ให้พ่อให้แม่วงศาขา้าราชการก็มีต่างคนก็ต่างมองเห็นกันเป็นพิษเป็นภัยไปหมดเป็นอริศัตรูไปหมด โลกทั้งโลกจะอยู่ได้ยังไงที่โลกอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะการเสียสละการทําบุญทาทานแก่เพื่อนมนุษย์ชาติศีลก็คือสํารวมกายวาจาของตนเองให้เรียบร้อยอย่าให้มีโทษส่วนภาวนาการดู จ, จิตใจอย่าลุ่มหลงมัวเมาให้เป็นภาษาใจภาษากายให้รู้กายให้รู้ใจกายเราควรปฏิบัติยังไงใจของเราควรจะคิดยังไงเนี่ยแหละให้วางตัวให้ถูก เมื่อวางตัวถูกแล้วคือภาษาใจของเราอีกส่วนหนึ่งการสมมุติการที่อยู่โโดยโลกสมมุติเราควรจะวางตัวอย่างไรก็ให้ถูกมันอ่ะถ้าเราวางตัวถูกแล้วปฏิบัติตนถูกแล้วความสงบร่อมเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นในใจของเราความพอดีจะเกิดขึ้นที่ใจของเราแต่เราไม่พอดีแล้วส า, นะสายไปนั้นสายไปนี้ออกไปข้างนอกกระซับกระสายไปเรื่อยเั่นแหะ เพอเพไปถูกบังตาเขาเลเนีแล้วกันนัน่นแหละหัวแบะหัววะไปแล้วเฉยเนีน่ยแหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้เป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าให้สํารวมให้ระวังให้มีทานมีศีลมีภาวนาสําหรับพระสงฆ์ที่อยู่ภายในเนีพระสงฆ์ที่อยู่ภายในอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเป็นผู้แนะนําว่ากล่าวตักเตือนพราะได้ศึกษาธรรมะอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่สําหรับพวกคณะสัตยาญาติโยมธรรมมาหาเลี้ยงชีพ ก่อนที่จะมาเข้าวัดได้เนี่ยก็เป็นเจ็ดวันบางทีก็ น, นานกว่า น, นั้นก็นมีแต่เมื่อเข้ามาสู่พัดวาศาสนาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่ได้ศึกษาธรรมะอยู่ตลอดเว ล, เวล า, กาก่อนจะมาแนะนําบอกกล่าวพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปเนาะชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมีจุดจบเนาะอันนี้คือพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ว่าเอาความตายมาขู่กัน เอาความตายมาบอกกล่าวให้กันฟังอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนี่แหละอันนี้คือทมคำสอนของพระพุทธศาสน า, าต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร